ผมก็เข้าห้องน้ำครูถามว่าแล้วในห้องน้ำมีกระจกเงาไหมก็ต้องมีสิครับท่านพูดว่าดีต่อไปนี้ทุกๆเช้านะเอาตั้งแต่ก่อนเธอแปลงฟันเลยครูอยากให้เธอมองกระจกเงานั้นและจงยิ้มให้ตัวเองอาตมาคัดค้านทันทีคุณครูครับ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 กำลังทำหน้าทึ่มๆอยู่ในกระจกแล้วอาตมาก็อดที่จะยิ้มจนเห็นไรฝันไม่ได้เมื่อรอยยิ้มอย่างธรรมชาติปรากฏขึ้นอาตมามองเห็นเด็กนักเรียนในกระจกเงายิ้มให้อาตมานั่นทําให้อาตมายิ้มกว้างขึ้นอีกคนในกระจกเองก็ยิ่งยิ้มกว้างขึ้นภายในสองสามวินาทีมันก็จบลงด้วยการที่เราหัวเราะให้กันและกัน อาตมาปฏิบัติเช่นนั้นทุกเช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปีทุกเช้าเมื่ออาตมาลุกจากเตียงไม่ว่าอาตมาจะรู้สึกอย่างไรในไม่ช้าก็จะได้หัวเราะกับตัวเองในกระจกเงามักจะด้วยการช่วยเหลือจากนิ้วทั้งสองของอาตมาถึงเวลานี้ผู้คนก็พูดกันว่า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 ไม่ใช่เห็นเฉพาะแต่ก้อนไม่สวยสองก้อนนั้นอกจากนี้การหัวเราะก็ทำให้เราดูงดงามด้วยนี่เป็นเหตุให้ในบางครั้งบางคราวอาตมาเรียกวัดพุทธของเราที่เมืองเพิดว่าสถานเสริมสวยของอาจารย์พรหม